ชาวหลักวิชาการวิจาระ์มเอง่หมกันมาเรียเเเเกเรียงพอบทีมันก็ไม่ยช่ภาษาคนป ก, กติเรื่อไปแล้หมอของศัตร์ท่านเป็นโยมนะชาววัดเนโยมไปตรวดที่วัดประบันเน่ะไม่สนใจเรื่องเนื้อหาวิชาการศัพท์ประคำหรือว่าอาการแต่ละ ก, รก า, ารต้องที่ถึงต้นส่วนเงื่อนที่มาที่ไปก็อ่านเข้าไป ก็ได้เอาประโยชน์สักหน่อยที่ผ่านมาหลายเดือนดูแลประโยชน์ในเรื่องของความรู้มาจากไทยออกไปที่ทำวิทย์ศิลปหน่อยและรวมรวมคนหน่อยแต่ก็บอกว่าผมไม่สะดวกตอนนี้ก็ให้ไม่ได้นะตอนเดือนนี้ก็สะดวกอยู่ประมาณ5นาทีสินาทีควเวลาเลย หรือว่ากลุ่ปัญญาชนเนี่ยในครีมอร์ุดมส่วการาเดนในรอปเทอร์อยู่ในนี้ปกติมีพูดภาษามาบางระวานไม่หายด้วยหลายองออกภาษาแล้วไม่เห็นหรอว่าใครมีข้อสงสัยที่เล่นขายแบบโยถามโยกเรื่องปฏิบัติ สิบขับตรงไหนกเอาประโยชน์นะสิบน <c oughs> าทีสิบห้านาทีที่นี่ก็จะเชิญท่านท่านจะรับคำเชิญหน่อยทเรื่องนะคนละเรื่อง <c oughs> นะ <c oughs> คนเก่าๆห้คนรับจ้างได้คนใหม่ๆก็ได้วันเองไปแลกธรรม ตอกอะไรถามก็ถามนวันนะอยู่เชียงใหม่สาธุนะในตระวนสาธุย์เมื่อกี้ยมาดูแล้วกันอยู่เนนสาธุไหนั้นเราเห็นใครทาดีสาธุยเหมือแล้วก็ไปออกแรงก็ไปออกเงนออกักเพียงแค่เห็นทุกคนทดีก็น้อมใจแล้วสบายจะตายได้นเจ็ดสิบเจ็เ็ ก่อที่จะมาเดยชอบนบชื่นชมคๆเลยไม่ฉาเลยเป็นอุนะช่ชมดนะเดชเชิดคุณหมอมาหน้็คนแต่งนมองเพื่องเงี้ยชัดเมีอะไรก็ักถามหมอเองนะ สวัสดีครับทุกท่านใช่ครับ โยไม่ถามหมอก็ไม่พูดเหมือนกันใช่จะรู้เรื่องกันไมเนี่ยฮะจะพูดเรื่องอะไรอะตั้งหัวข้อกันมาแล้วช <h ums> ื่อถามรู้แจ้กันหมดแล้ว <laughs> คือวิธีปฏิบัติขอ ง, ของพระเทียนนี่มันง่ายมาก ไ, มได้ความรู้สึกตัวนี่เด่นชัดนะครับคือสติเนี่ยมีอุปการะมากก็จริงนะแต่ว่ามันเพียงตึงอารมณ์นะแต่ว่าไอความรู้สึกตัวหรือสัมผััญญะเนี่ยเป็นตัวตรวจสอบอารมณ์พอเราปฏบิบัติบ่อยๆเนี่ยมันจะตื่นตัวขึ้นมาแล้วมันจะเห็น ความเป็นไปในในกายและจิตเนี่ยชัดเจนเห็นเหตุและผลทำไมมันเกิดอย่างนี้ได้ทำไมเราทุกข์เพราะความคิดก่อนเราก็ไม่รู้เวลาเราเรากุ้มใจหรือว่าเราอยากได้ไม่อยากได้ไม่ชอบอเรารักช่งเนี่ยยินดียินร้ายเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากความคิด แต่ก็ทั้งเรามีความรู้สึกตัวเด่นชัดมันมันตามมาทันมันจะรู้ว่าโอ้ยทั้งหมดมันเกิดเพราะความคิดนี่เองก็เราไม่รู้มันก็หายโง่ไม่โดนความคิดหลอกลเราไปนะะสั้นๆก็มีแค่นี้เพื่อทาให้บ่อยทำให้มากพุฒิเจ้าตรัสว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาอาตาปีก็คือทำความเปลี่ยนแปลงเผากิเลนก็คือปฏิบัติอย่างนี้แหละ มันจะเกิดสมาธิขึ้นมาจิตมันจะมีอารมณ์หนึ่งเดียวเนี่ยมันก็ตั้งมั่นนะเป็นความเพียรสัมปชัโนคือความรู้สึกตัวคือสัมเพรญยะสติมาก็คือสตินี่นั้นก็คือนั่นบอกว่าพึงเพียรเจริญสติและความรู้สึกตัวที่กายที่อย่างเดียวเช่นเดียวกันกับ ท, ที่เวทนาพึงเพียร ตั้งสติมีความรู้สึกตัวเนี่ยที่ความรู้สึกแล้วก็ที่จิตแล้วก็ที่ทำไม่ได้ยินนะครับทำยังไงให้ได้ยินให้ผมพูดไปค่อยดัง <laughs> เอาไม้เอาไม้มาก็ได้ <laughs> เพราะว่าเสียงผมมันเป็นหวัด <laughs> เนี่ยเข้าใจให้ยางทำไมอาจารย์ถึงพูดต้องเสียงดังไงโทษนะครับคือเมื่อกี้พูดไปเนี่ยคือจะเน้นให้ทราบว่าเราต้องทําความเพียรให้มากคือให้รู้สึกตัวมีสติอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมา อัตตาปีก็คือความเพียนเพ่งเผากิเลสสัมปชัโนมดคือความรู้สึกตัวเนี่ยสัมปชัญญะสติมาคือสติที่กายเวทนาจิตทำก็คือนิวาททั้งสี่ของของเราเนี่ยก็คือคือเรามีกายมีความรู้สึกคือเวทนาจิตก็คือใจเนี่ยวิญญาแล้วก็ธรรมก็คือธรรมารมณ์ที่มันเกิดคืออาการของจิตนี่แหละเพราะฉะนั้นเราสร้างความรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ย มันสามารถจับความคิดได้ทันเราจะรู้ว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันเป็นต้นต่อของความทุกข์นี่องครับเวลาเราไม่รู้่เมื่อก่อนเราทุกข์เพราะว่าเราอยากได้นั่นไม่อยากได้นั่นไม่อยากได้นี่ใจมันแกหลุดไปเลยความชอบความชังยินดียินร้ายโดยไม่รู้มันที่แท้มันเกิดมาจากความคิดเมื่อความคิดเนี่ยเมื่อความรู้สึกตัวตามมาทันเนี่ยมันจะจับความคิดได้เลยว่าเป็นต้นเหตุ ข, ของสิ่งเหล่านั้นมันจะหายไป ในความยินดียินร้ายความเกลียดความรักอะไรต่างๆที่มันเราเคยหมกมุ่นกับมันเนี่ยมันจะหายไปแก็มีสั้นๆก็มีแค่นี้จะถามอะไรก็ยินดีตอบครับจะถามประสบะการณ์อะไรก็ยินดีจะตอบให้ฟั ง, งครับ ถือไม่คุ้นก un ัน <gypt> ก็ลำบากหน่อยก็เป uh ็นหลักกว้างๆนี่ให้ไปผมว่าเทียนก็บอกว่าอันนี้เป็นคำโบราณแต่ว่าหลวงพ่อเขียนว่าพูดดูกายเห็นจิตดูความคิดเนี่ยเห็นธรรมก็มีคนไปต่อให้ดูพฤติกรรมดูกรรมเห็นนิพพาน ดูอาการเห็นความแปรปรวนเนี่ยจะเห็นประมาทก็เลยเก็บวงจดสี่วักชัดแช้งก็เขินกัน <c oughs> มามาถามได้มาไม่รู้ถามกันหมดแล้วมั้งไม่มีคำถามนะใช่ดีอีกยิงเวลาให้ถามไม่ถามนะแต่เรี่องผมถามบ้างนะปฏิบัติไปรู้สึกยังไงมั้งเออโดนถามอะไรกันเนี่ยไม่มีใครตอบ <c oughs> <c oughs> ยังเคินอยู่เออเอ่น์นภัสบิน จะนั่งทำไมแล้วเงียบๆอะ่ะไม่ถามอะ่ะกล้องผมไม่ได้ยินอะ่ะคุณแม่มีครัาเใช่เช่ครับ ถามใหม่สีครับไม่ได้ยินเมื่อกี้นะพัดใหม่แม่ปิดถามมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปได้เรื่อยๆสมองก็ได้แช่ตสมองมันโลดเลครับ เมันมันมีความหนักมันจะลดลงนะถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยเราจะไม่ติดอยู่ที่ความคิดนะมันไม่ไปจมอยู่กับความคิดความคิดเนี่ยมันทําให้หนักเพราะว่าแม้แต่ทางวิทยาศาสตร์เขาก็ค้นพบว่าเนี่ยคนเราถ้ารู้สื่อเนี่ยมันใช้พลังงานสมองเนี่ยจุดห้าหรือหนึ่งเอร์เซ็นต์เองนะสมองนี่มันประมาณมใช่ใช่พลังงานน้อยมากถ้ารู้สื่อแต่ถ้าเราคิดเนี่ยบางทีทะเลาะ ก, กับ ลูกเต้าหรือว่าคู่ครองเนี่ยหรือว่าพ่อแม่เราไม่ได้ยกไม่ได้ยกอะไรเลยนิ้วก็ไม่ได้ยกมิแต่ยกปากเหนื่อยมากเลยเพราะว่ามันใช้พลังงานมากถึง60สิถึงแปดสิบเอร์ซตเพราะฉะนั้นถ้าพราะเราเราไม่รู้จักไม่รู้ว่าเราเป็นทานน่าของความคิดเนี่ยเราก็พูดไปที่สิ่งเราจะพอที่พอใจเราอาจจะไปทําร้ายก็าบ้างอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ เราจะกลับมาเหนื่อยใจเลยก็ว่าเราเนี่ยเราก็เจ็บช้ำน้ําใจไม่ได้ตบตีกันเลยแต่ว่าทะเลาะกันแค่นี้เหนื่อยไปทั้งวันเลยบางทีไม่ได้ไม่ได้ยกอะไรเลยนะยกเตะปากยกลิ้นเท่านั้นแนหะทําร้ายกันมากมายเพราะว่าความคิดที่มันมันเป็นตัวทําให้เราเรากัดกลุ่มแทนเราะน้นนนมาปฏิบัติแนวเนี้ยมันจะทําให้สมองมันเปิดว่างเนี่ยมันโปร่งขึ้นมา มันไม่ต้องเสียพลังงานไปไปอยู่ในเขาเรกเขามีคำเหมือนกันนะเขาเรกดา r k e n e r ที่พลังมืดมันเนียมันมันดึงพลังงานสมองไปตั้ง6 0ส0บดซทำให้เราเหนื่อยทั้งประเทไม่ได้ออกกำลังเลยไม่ไม่ได้เดินไปไหนเใช้ใช้สมองเครียดไปกับสิ่งพวกนี้ซึ่งมันไม่จำเป็นเลยถ้าว่าถ้าเรารู้สึกตัวเนี้ยเราจะตื่นขึ้นมาจากสิ่งพวกนี้ มีความรู้แจ้งค่ะมีความรู้สึกตัวนี่ก็มีความจุดเด่นนะฮะทำไมพระพุทธเจ้าทำไมแยกออกมาว่าสัมปชัญญะบัพพะนอกนอกเหนือไปจากอิรยะบัติอิยาปฏิบบัพพะเข้าใจนะฮะอิรยาปฏิบบัพพะก็คือยืนเดินนั่งนอนหรืออาการที่เรายืนหรือทรงตัวอยู่เนี่ยในลักษณะใดก็ตามอาจจะตะแคงอยู่อะไรทํานองเนี่ยแต่ว่า พระองค์ทรงแยกไอ๋สัมัญญาประพระหรือวิธีแปลว่าวิธีทำความรู้สึกตัวออกมาในสติปัฏฐานสี่ที่กายเนี่ยก็บอกว่าเดินหน้าถอยหลังก็ให้รู้เหลียวซ้ายไหลขวาก็ให้รู้คู่เข้าเหยีดออกก็ให้รู้ทรงบาทสังกติและจีวรของพระคารวะก็คือการแต่งกายกินดื่มเคี้ยวริมรสก็ให้รู้ ให้อุจจาะปัสวะก็ให้รู้ยืนเดินนั่งนอนหรือหลับเนี่ยก็ให้รู้ตื่นก็ให้รู้พูดก็ให้รู้นิ่งก็ให้รู้อย่างคุณนิ่งเนี่ยบางทีมันหนักกว่าเองนะถ้าไม่รู้เนี่ยเพราะว่ า, อ, าอยากแกพูดแต่ไม่รู้จะพูดยังไงดีอะไรเงี้ยมันต้องรู้ถ้ารู้สึกตัวเนี่ยมันทําให้เห็นสิ่งพวกนี้หมดเลยมันละเอียดกว่ายืนเดินนั่งนอนธรรมดาคือมันวรวมมิติยับบทสี่ไว้ด้วย แต่ว่าวิทเจ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์มากมันมีจุดเด่นคือว่ากิริยาบทย่อยเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกตัวเด่นชัดจิ่งทำให้มีประโยชน์มากและเป็นตัวที่คือปัญญาภาษาฝรั่งเรียกว่า wisdom in action ปัญญาขณะปัจจุบันเนี่ยคือเราเห็นอะไรมันก็ชัดเจนขึ้นมาเราไม่หลงไปตามความคิดลแล้วเพราะเรามีสติมันตรึงไว้แต่ว่าสัมปชัญญะความรู้สึกตัวนี้มันจะตรวจสอบโอ้มันแค่ความคิดเองนี่ ไม่จําเป็นต้องทําอย่างนี้ก็ได้นะี่เราปล่อยวางมันก็ได้นะีก็คืออย่างเงี้ยจะหลุดออกมาจากความคิดได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี้ก็เป็นปัญญาเพราะว่าปฏิบัติต่อไปเรื่องไปเนี่ยมันจะเกิดยถาพุธญาหรือว่าญาณทัศนวิสุทธิคือเห็นแจ้งในความเป็นจริงเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาที่ท่านกล่าวสอนชั่วโมงแรกเนี่ยว่าจะทําให้เราตื่นขึ้นมาได้ว่าเอไม่จําเป็นต้องไปยึดไปนะมันวางจิตมันวางมันเองอ่ะนะมีเขาเรียกว่า จิตมันเบื่อหน่ายใครกําหนัดแล้วหลุดพ้นไม่มีการปล่อยวางนะมันหลุดลงมันเองเบื่อหน่ายใครกําหนัดแล้วก็หลุดพ้นได้ไหมฮะและ้วหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วจะมียานย่อมมีมีขยายานหรือรู้ว่าหลุดพ้นแล้วหลุดอะไรหลุดไปบ้างก็มีเท่านี้ฮนะคือว่าเป็นจุดที่ว่าการปฏิบัติจะอยู่ตรงพวกนี้เป็นขั้นตอนที่มัน อาจจะเกิดขึ้นได้แต่เวลามันเกิดมันก็เกิดเร็วมากไม่จำเป็นต้องเป็นตามขั้นตอนนี้มีคาถามอะไรไหมครับเาม่มีอะไรอุปกรณ์ที่มากครับ อ้าวของดีมีน้อยหมดเวลา น, นี่เหมือนทันต่์เราจะแผ่ไม่ตากันแล้วนะแล้วเดี๋ยวไม่อะไรก็ว่ากันอีกนะ May I, happy. May I be free from stress and pain? May I be free from animosity? May I be free from oppression? May I be free from trouble? May I look after myself a t h e r s May all living beings be happy? May all living beings be free from animosity. May all living beings be free from oppression. May all living beings be free from trouble. May all living beings look after themselves with ease. May all living beings be free from all stress and suffering. May all living beings not be deprived of good fortune they have attained. All living beings are the owners of their karma. e i r to their karma, born of their karma, related through their karma, and live dependently on their karma. Whatever they do, for good or for evil, through that do they fall. Air, may they be a good, uh, happily, always free from a n i m u s t y May all share the blessings springing from the good I have done. May they give good blessings. May the devas protect you by the power of the d a s May you f o r e e r be well. May there be l good b e s s i n May the devas protect you by the power of the d a May you forever be well. May there be all g o d e s s i n g s May the devas protect you by the power of the sangha. May you r e be well. Aham s a